เริญพรท่านทุ้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2551เดือนนี้ก็จะมีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอยู่วันหนึ่ง เรียกว่าวันมาฆบูชาวันมาฆบูชานี้ปีนี้ก็ตรงกับวันที่21กุมภาพันธ์ความสำคัญของวันมาฆบูชานี้คือการลํำลึกถึงเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือนสาในวันนั้นปรากฏมีพระอารหันตตสาวก 1,250 รูปที่พระพุทธเจ้าเป็นพระอุปัชฌายะทรงเป็นผู้บวชให้ด้วยการกล่าวคำว่าเอหิพิกุแปลความหมายว่าจงมาเป็นภิกษุเถิดสมัยที่พระพุทธเจ้าบวชนั้นไม่ต้องมีพิธีรีตองมากใครมีความศรัทธาอยากบวชก็ไปขอบวช เมื่อทรงอนุญาตก็ไปตรงศรีษะผมเหลืองแล้วก็เข้าไปกราบแสดงวาจาสแสดงเจตนาด้วยวาจาว่ามีความปรารถนาอยากจะบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็จะทรงตัดว่าเอหิตพิกขุแปลว่าจงมาเป็นภิกษุเถิด คาวนี้นก็สำเร็จเป็นพระภิกษุได้แล้วซึ่งต่างกักในสมัยปัจจุบันที่มีวิธีบรรพชาอุปสมบทที่ยาวกว่าเนื่องจากพระพุทธเจ้าไม่ทรงสามารถบวชให้กับคนทุกคนที่ปรารถนาจะบวชได้จึงได้มอบภาระหน้าที่นี้ให้กับสง คือให้มีพระอุปชาหนึ่งลูกมีคู่สวดสองลูกและมีพระอันดับอย่างต่ำก็สิบรูปขึ้นไปทำพิธีบวชให้แทนและมีการสวดและมีการสอบถามปัญหาบางข้อเป็นเหมือนกับการสอบสัมภาษณ์เวลาที่เราไปสมัครงานหรือไปเข้าโรงเรียน ก่อนที่จะรับเข้าเขาต้องทราบคุณสมบัติก่อนว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนหรือเปล่าเช่นมีโรคภัยไข้เจ็บเรื้อรังรักษาไม่หายหรือเปล่ามีมีหนี้หรือเปล่าได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือเปล่าอย่างนี้ก่อนเมื่อเมื่อผ่านแล้วถึงจะมีการสวด ตังยติคือแจ้งให้สงฆ์ทราบว่ามีผู้ปรารถนาอยากจะบวชมีชื่อดังนี้ชื่อดังนี้ถ้าสงฆ์ไม่ขัดข้องก็ขอให้สงฆ์นิ่งเฉยถ้าสงฆ์ขัดข้องก็ขอให้กล่าวออกมาว่าขัดข้องด้วยเหตุผลอันใดกู้สวดก็จะสวดอยู่สามครั้งสามรอบด้วยกัน ถ้าสงนิ่งอยู่ก็แสดงว่าไม่ขัดข้องเมื่อสวดเสร็จก็ถือว่าบวชเป็นพระแล้วนี่คือวิธีบวชในสมัยปัจจุบันอย่างน้อยต้องมีพระสิบรูปขึ้นไปถึงจะบวชได้ถ้าอยู่ในที่กัดดานห่างไกลก็อนุญาตให้เหลือเพียงห้ารูปก็บวชได้นี่คือ เรื่องของการบวชเรื่องของพระภิกษุสงฆ์เมื่อบวชแล้วในสมัยพระพุทธการเมื่อบวชแล้วก็ได้ศึกษาและปฏิบัติกับพระพุทธเจ้าจนบรรลุเป็นพระอรหันต์สาวกขึ้นมาหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดทำจิตใจของตนให้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความโลภความโกรธความหลง ด้วยการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาบางองค์บางรูปนั้นบรรลุเป็นพระอารหันตั้งแต่ยังไม่ได้บวชเพียงแต่ได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงครั้งเดียวก็บรรลุเป็นพระอารหันต์ได้มีจำนวนมากเช่นเคยไปโปรดสำนักของนักบวชอยู่สำนักหนึ่งซึ่งพวกนี้เขาก็ได้บำเพ็ญศีลได้สมาธิอยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้บำเพ็ญปัญญาเพราะไม่มีใครรู้ปัญญาที่จะทำให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์ทาให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้มีพระพุทธเจ้าเพียงรูปเดียวเท่านั้นที่มีความสามารถที่จะอย่างรู้ถึงปัญญาอันนี้ได้เมื่อพระพุทธเจ้าทรงตัดสัรู้ ได้ปัญญาอันนี้มาชำระจิตใจจนสะอาดบริสุทธิ์กลายเป็นะ้าอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ทรงประกาศปัญญาอันนี้ให้กับผู้ที่สนใจในเบื้องต้นจะทรงมุ่งไปที่นักบวชต่างๆเพราะนักบวชนี้มีความพร้อมมากกว่าข่ารวาดนักบวชนี้เขามีศีลอยู่แล้วเขามีสมาธิอยู่แล้วเขาเพ่งขาด ปัญญาเท่านั้นพอไปสอนเรื่องปัญญาให้เขาเห็นพระอริยสัจสี่ว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมากเป็นอย่างไรพอเขาเข้าใจเขาก็นําเอาไปกําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจจนหมดสิ้นไปพระอริยาาสัจสี่นี้ก็แสดงเกี่ยวกับทุกข์ว่าทุกใจนี้เป็นอย่างไร อะไรเป็นเหตุของทุกข์ใจอันนี้และวิธีที่จะทําให้ทุกข์นี้ดับไปทําอย่างไรเมื่อทรงสอนครบถ้วนทั้งสี่ประการคือทุกต้นเหตุของทุกข์แล้วก็การดับทุกขต้นเหตุของการดับทุกขว่าเป็นอย่างไรพอผู้ฟังฟังเข้าใจก็สามารถ ทำความทุกข์ให้หมดสิ้นไปจากใจได้ในขณะที่ฟังเลยมีสำนักอย่งมีนักบวชอยู่ห้ารอรูปพอฟังพร้อมกันก็บรรลุเป็นาารรพระอรหันต์พร้อมๆกันห้าร้อรูปเลยพอบรรลุแล้วก็ขออนุญาตบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดเอหิภิกขุจงมาเป็นภิกษุเถิดท่านนั้นก็เป็น เป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาแล้วและหลังจากนั้นก็ทรงให้แยกไปกันคนละทิศคนละทางเพื่อไปเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าให้กับผู้ที่ยังไม่ได้ยินยังไม่รู้เพื่อเขาจะได้มีโอกาสรับรู้และสามารถนำเอาไปปฏิบัติจนทำจิตใจของเขาให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ นี่คือความเป็นมาของพระพุทธศาสนาที่ได้รับการถ่ายทอดมาจนถึงทุกวันนี้ถ่ายทอดด้วยการศึกษาปฏิบัติบวชเรียนเมื่อบวชเรียนแล้วก็ศึกษาศีลสมาธิปัญญาที่เป็นมรรคเครื่องมือที่จะดับทุกขทั้งหลายภายในใจให้หมดสิ้นไปได้และเมื่อ ทนืทำจนสำเร็จแล้วก็นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนผู้อื่นต่อไปพระศาสน า, าจึงจงมีอายุยืนยาวนานมาได้จนถึงปัจจุบันนี้และถ้ามีการประพฤติปฏิบัติศึกษาร่ำเรียนบวทเรียนกันอยู่อย่างนี้พระพุทธศาสน า, า, าก็จะมีอยู่ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเริ่มมีการปล่อยประละเลยเรื่องการบวทเรียน เรื่องการศึกษาปฏิบัติต่อไปก็จะไม่มีคนรู้ในพระอริยสัจสี 4, จะไม่สามารถนำเอามาถ่ายทอดสอนผู้อื่นได้ถ้าไม่มีการสอนและไม่มีการบวดเรียนต่อไปก็จะไม่มีศาสนาหลงเหลืออยู่ในวันปัจจุบันนี้ถ้าเปรียบกับในสมัยสี่หปีก่อนรู้สึกจะมีความต่างกันมาก เพราะเดี๋วนี้ทางโลกจเจริญขึ้นมากทางวัตถุจเจริญขึ้นมากการศึกษาทางโลกจเจริญมากจนไม่มีใครสนใจที่จะศึกษาทางธรรมเดี๋ยวนี้คนบวชเรียนก็มีน้อยเมื่อก่อนนี้คนไทยที่มีอายุย0สิปีที่เป็นผู้ชายจะถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องบวชเรียนอย่างน้อยก็ต้องหนึ่งพรรษาขึ้นไป สมเดือนแต่เดี๋ยวนี้ถ้าบวชบางทีก็ขอแค่สิบห้าวันเจดวันนี้ไม่ดีก็ขอบวชเช้าสึบเย็นกันเช่นบวชในงานศพต่างๆถ้าบวชแบบนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการบวชที่แท้จริงบวชแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะไม่ได้ศึกษาไม่รับรู้เรื่องราวคำสอนของพระพุทธเจ้า แม่ได้นำเอาไปขัดเกลากับชีวิตจิตใจของตนก่อนบวชเป็นอย่างไรหลังบวชก็เป็นอย่างนั้นก็เหมือนกับเอาเสื้อผ้าที่สกรปรกไปซักแต่ไม่ได้ซักด้วยน้าซักด้วยลมเอาไปปัดเอาไปเอาไปสะบัดเสร็จแล้วก็บอกว่าซักแล้วมันก็เหมือนเดิมมันก็ไม่ได้ซักการจะซักต้องมีน้ามีผงซักฟอก ใจของพวกเราจะซักให้สะอาดได้ก็ต้องมีธรรมะมีศีลสมาธิปัญญาหรือมีทานมีศีลมีภาวนาถึงจะสามารถชำระจิตใจของตนให้สะอาดได้ไปตามลำดับการชำระจิตใจนี้มีแบ่งไว้เป็นอยู่4ี่ระดับเหมือนกับการศึกษาในทางโลกที่มีระดับ ปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกการซักพอกจิตใจเพื่อกําจัดกิเลสอาสวะที่เป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนกับน้ำน้ำสีที่ย้อมจิตใจให้มีเป็นสีต่างๆย้อมจิตใจของมนุษย์ให้มีความโลภมีความโกรธมีความหลงต้องอาศัย ผงซักฟอกของพระพุทธเจ้าคือทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญานี้มาซักฟอกสีที่ย้อมใจนี้คือกิเลสอาสวะทั้งหลายให้หลุดไปทีนี้มันก็จะหลุดไปเป็นขั้นๆมันไม่หลุดทันทีออกไปหมดต้องซักอยู่เรื่อยๆต้องฟอกอยู่เรื่อยๆขั้นที่แรก เมื่อสำเร็จแล้วก็จะเรียกว่าเป็นขั้นโสดาบันโสดาปติผลผู้ที่สามารถกำจัดสังโยชน์หรือกิเลสสามตัวแรกได้ก็จะบรรลุเป็นพระโสดาบันสังโยชน์ที่ต้องทำละคืออะไรคือหนึ่งความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ว่ามีจริงหรือไม่สองความมีความเห็นผิดที่เห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราและสามความงมงายอยู่กับการสละเคา ะ, ะการเสริมบุญบา ร, รมีด้วยพิธีกรรมต่างๆซึ่งไม่ใช่เป็นตามหลักความจริงคนเราดีหรือชั่ว จเจริญหรือเสื่อมไม่ได้อยู่ที่การเสริมบารมีหรือการสะเดาะเคราะห์แต่อยู่ที่กรรมคือการกระทาทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำดีก็จะมีแต่ความสุขและความจเจริญทำชั่วก็จะมีแต่ความเสื่อมเสียมีแต่ความทุกข์นี่คือสิ่งที่พระโสดาบันจะสามารถ สักฟอกให้ออกไปจากใจได้ด้วยการปฏิบัติธรรมคือทำบุญให้ทานรักษาศีล น, นั่งสมาธิและเจริญปัญญาเจริญวิปัสสนาพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนร่างกายนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นสมมุติเท่านั้นเป็นเหมือนกับหัวโขนของจิตเราไปเอา กระดาษไปเอาของมาทำให้มันเป็นหัวโขนแล้วก็สวมหัวเราแล้วก็เรียกตัวเราว่าเป็นทศกัณฐ์เป็นพระรามเป็นนางสีดาเป็นฮนุมานมันเป็นเพียงหัวโขนเท่านั้นร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนกับหัวโขนมันออกมาจากท้องแม่ก็ต้องอาศัยดินน้ำลมไฟที่มาในรูปของอาหารที่เรารับประทานเข้าไปน้ำที่เราเดื่มเข้าไป อากาศที่เราหายใจเข้าไปที่ทำให้มันจเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นรูปร่างมีอาการสามสิบองอย่างที่เป็นอยู่กันในขณะนี้และมันก็ไม่เป็นอย่างนี้ไปตลอดมันก็จะแก่ลงไปแก่ลงไปแล้วในที่สุดมันก็จะหยุดหายใจหลังจากนั้นถ้าปล่อยทิ้งไว้มันก็จะแยกออกจากกันน้ำก็จะออกจากร่าง ลมก็จะออกจากร่างความร้อนก็จะออกจากว่างคือไฟเหลืออยูก่ก็กลายเป็นดินไปถ้าเอาไปเผาก็กลายเป็นขี้เถ้าขี้ถานไปนี่คือจเจริญปัญญาเป็นอย่างนี้จเจริญให้เห็นว่าร่างกายนี้มันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเท่านั้นไม่ได้เป็นตัวเป็นตนแต่อย่างใดเหมือนกับที่เราเอากระดาษเอา สิ่งต่างๆมาทำให้เป็นหัวโขนแล้วเราก็สวมหัวเราแล้วก็หลอกตัวเราว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ร่างกายนี้ก็เป็นอย่างนั้นมันมาจากดินน้าลมไฟมันเป็นตัวเราของเราเพียงแค่ชั่อคราวเท่านั้นไม่ถาวรเป็นสมมติสมมติว่าเป็นนายกรนายขอแล้วสักวันอย่างนายกรนายขอนี้ก็หายไปหมด ดูคนที่เขาเกิดมาก่อนเราที่ตายไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้หายไปไหนหมดแล้วเหลืออยู่แต่ความทรงจำเท่านั้น mm hmm. เช่นเราศึกษาประวัติศาสตร์ mm hmm. เกี่ยวกับค น, น, น, ค, นคนนั้นคนคนนี mm ้ hmm. ก็เพียงแต่ประวัติของเขาเท่านั้นไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเขาร่างกายของเขานี่กลายเป็นอะไรไปหมดแล้ว mm hmm. ถ้าอยู่ในประเทศอียิปต์อียิปต์เขาก็จะทำเป็นมัมมี่ไป เขาก็นองไว้ทำกลายเป็นมัมมี่ไปก็มีอยู่เท่านี้นี่คือการเจริญปัญญาให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่เที่ยงแท้แน่นอนถ้าไปยึดไปติดกับร่างกายก็จะต้องทุกข์จะต้องเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้มีความหวาดกลัวต่ตางๆ ต, ตามมาคนที่เจราญ ที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปเจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆจนในที่สุดก็จะปล่อยวางได้เห็นชัดด้วยปัญญาว่าไม่ใช่ตัวเราเป็นเพียงเหมือนกับหัวโขนเท่านั้นเองก็จะปล่อยวางได้พอปล่อยวางได้แล้วก็จะไม่ทุกข์กับกับเรื่องของร่างกายนั่งกายจะแก่จะเจ็บจะตายอย่างไร ก็ไม่เดือดร้อนแล้วก็จะเห็นว่าความสุขความทุกข์นั <dobrze> <feeling> ้น like มันอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่ความคิดของเราคิดดีคิดถูกตามหลักความจริงก็ไม่ทุกข์คิดผิดก็ทุกข์ไปหลงผิดว่าเป็นตัวเราของเราก็ทุกข์ไปหลงผิดว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีก็จะทุกข์เพราะเมื่อเราหลงผิดคิดว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีคนนั้นดีคนนี้ดีก็ไป เอาเขามาเป็นคู่ครองของเราพอมาเป็นคู่ครองของเราแล้วเราก็ต้องมาห่วงมากังวลมาทุกข์กับเขานี่คือนี่คือความหลงทําให้เห็นไม่เห็นความทุกข์ทำให้เห็นว่าไม่เห็นว่าความสุขนั้นอยู่ที่การกระทำของตนอยู่ที่ความคิดของตนถ้าคิดถูกแล้วไม่ทุกข์กับอะไรไม่ต้องมีอะไร ไม่ต้องไปทำบาป ท, ทำกรรมเพื่อให้ได้มาในสิ่งต่างๆที่ตนเองปรารถนาไม่ต้องไปสะเดาะเคราะห์เพราะจิตใจจะไม่หวั่นไหวกับข้อกรรมต่างๆจิตใจจะไม่มีความรู้สึกหวาดกลัวจะไม่มีทุกข์กับเรื่องราวต่างๆนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเจริญปัญญาในเบื้องต้นพิจารณาร่างกาย ก็จะสามารถบรรลุเป็นพระโสดาบันได้เมื่อบรรลุแล้วก็จะไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าว่ามันมีจริงหรือเปล่าเพราะธรรมที่ปรากฏขึ้นในใจที่เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมนี้คือปัญญานี้มันปรากฏให้เห็นชัดแล้วว่ามันเป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนจึงไม่สงสัยว่ามีพระพุทธเจ้าหรือเปล่า มีพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี้จริงหรือเปล่าปฏิบัติไปแล้วได้ผลตามที่ทรงสอนไว้หรือเปล่า mm hmm. ก็จะไม่มีความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกต่อไปเพราะผู้ที่เห็นธรรมนี่แลก็คือพระสงฆ์คือพระอริยสาวกท่านแรกที่เรียกว่าพระโสดาบันนี่เอง mm hmm. นี่คือ กิเลสหรือการชำระกิเลสเบื้องต้นของผู้ที่จะเจริญศีลสมาธิปัญญาเพื่อชำระจิตใจกำจัดความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางลงไปและเมื่อผ่านขั้นนี้แล้วก็ต้องเข้าไปสู่ขั้นที่สองหรือระดับขั้นที่สองที่เรียวกว่าระดับปัญญาโท ก็มีอยู่สองขั้นด้วยกันขั้นแรกก็เรียกว่าสกิดาคามีขั้นนี้จะต้องพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้ความจริงแล้วไม่สวยงามเลยความจริงร่างกายนี้เป็นร่างกายที่เป็นไปด้วยของสกครบมีปฏิกูลไหลออกมาตลอดเวลาตามขุมขนต่างๆ ต, ต, ตามทวารต่างๆ ออกมาทางตาก็เรียกว่าขี้ตาออกมาทางจมูกก็เรียกว่าขี้มูกออกมาทางฟันก็เรียกว่าขี้ฟันออกมาทางทวารต่างๆก็เรียกว่าอุจจาระทางนั้นให้พิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่สวยงามส่งกลิ่นเหม็นหน้ารัอนเกียดไม่น่ารักไม่น่ายินดีถ้าตายไปยิ่งหน้าเกลียดใหญ่ เวลาตายไปแล้วไม่มีใครอยากจะมองคนตายกันเพราะความน่ากเกลียดของร่างกายอันนี้มันปรากฏให้เห็นนี่เองถ้าสามารถพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วก็จะเกิดความเบื่อหน่ายในการที่จะมีคู่ครองแต่ยังไม่สามารถตัดได้หมดเพียงแต่เป็นบางเวลาคือเวลาถ้าคิดถึงเรื่องเหล่านี้ก็จะเบื่อหน่ายแต่เวลาเผลอขึ้นมาก็ยังอยาก ยังอยากจะเสพยังอยากจะสัมผัสอยู่ก็ต้องพิจารณาต่อไปจนสามารถเห็นได้ตลอดเวลาว่าเป็นปฏิกูลเป็นสิ่งสกปรกเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเมื่อพิจารณาเห็นได้อยู่ตลอดเวลาแล้ว<ม>ก็จะบรรลุทำขั้นที่สามที่เรียกว่าอนาคามีอนาคามีนี้ก็จะไม่เกิด ไม่มีความยินดีในร่างกาย อ, อีกต่อไปต่อให้แต่งกายสวยงามขนาดไหนแต่งผมหวีผมแต่งหน้าทาปากเสริมตรงนั้นเสริมตรงนี้อย่างไรมันก็ไม่สามารถปกปิดปัญญาที่มองทะลุเข้าไปในใต้ผิวหนังได้เห็นอวัยวะต่างๆได้อย่างชัดเจนจึงไม่มีความปรารถนาที่อยากจะมีคู่ครองต่อไป ก็จะได้บรรลุเป็นพระอนาคามีไม่มีกามะทันหาไม่มีความยินดีความอยากในการอีกต่อไปเห็นอย่างไรก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีความรู้สึกนี่คือหลุดพ้นจากกามะทันหาได้คนที่ยังไม่หลุดพ้นนี้ยังต้องทนทุกข์ทรมาตถ้องหาคู่ครองมีคู่ครองแล้วก็ต้องทุกกับการห่วงใยต้องทุกกับ การกังวลว่าคู่ครองของเราจะจากเราไปเมื่อไหร่หรือไม่จะจริงใจกับเราหรือไม่จะซื่อสัตย์กับเราหรือไม่จะไปหาโลกมาให้เราหรือไม่คนที่มีการคนที่ยังต้องเสกการอยู่ก็จะต้องทุกกับเรื่องราวนี้แต่คนที่ไม่เสกการแล้วก็หมดปัญหาปลอดภัยไม่ต้องติดเชื้อจากคู่ครองของตนถ้าไปเจอคู่ครองที่สาำส้น ผู้ครองที่ไม่ซื่อสัตย์ออกนอกบ้านไปก็แอบไปที่นั่นแอบไปที่นี่แล้วก็ไปติดชงติดเชื้อมาให้กับคนที่บ้านแล้วในที่สุดก็ต้องตายไปก่อนวัยด้วยกันทั้งคู่นี่คือปัญหาของคนที่ยังติดในกาลอยู่ในการมรสุมอยู่แต่คนที่เห็นว่าร่างกายนี้เป็นสิ่งที่น่าเกลียดเป็นสิ่งที่สโครกไม่สวยงาม ก็จะเกิดความเบื่อหนา่ายจะไม่ยินดีที่จะมีคู่ครองอีกต่อไปไม่มีความอยากในการอีกต่อไปก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ในเรื่องของการมติหาได้นี่คือขั้นที่สาส่วนขั้นที่สนี้ก็ต้องเข้าไปกาจัดกิเลสที่ละเอียดกว่านั้นที่ยังมีอยู่ในจิตเช่นความถือตนถือตัว ถือว่าตนเองสูงกว่าคนนี้เท่าคนนั้นต่ํากว่าคนนี้แล้วก็ยังหลงกับความสุขของจิตว่าเป็นความสุขที่เลิศที่ประเสริฐแต่ความสุขนี้ยังเป็นความสุขที่ไม่สูงสุดยังไม่ใช่เป็นความสุขของพระนิพพานยังปรากฏมีอริยสัจอยู่ในนั้นอยู่ยังมีทุกข์อยู่สุขที่มีอยู่ยังเปลี่ยนแปลงจากสุขมาเป็นทุกข จากทุกมาเป็นสุขอยู่ถ้าเป็นสุขที่แท้จริงของพระนิพพานแล้วจะไม่มีความทุกข์อยู่เลยความสุขของพระนิพพานนี้จะไม่เสื่อมอยู่เลยก็ต้องรู้ฐานว่าความสุขที่มีอยู่ในขณะที่ได้บรรลุทำขั้นานาคามีแล้วนี้ยังไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงของพระนิพพานต้องพิจารณาจนกระทั่งปล่อยวางหรือกำจัดความยึดติดในความสุขอันละเอียดนี้ได้ ยังหลงติดอยู่กับความสุข น, นี้แต่เมื่อใช้ปัญญาพิจารณาว่ามันยังไม่เที่ยงมันยังมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยังควบคุมให้มันสุขไปตลอดไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางมันพอพิจารณาปล่อยวางได้แล้วก็จะไปเจอกับความสุขที่แท้จริงความสุขของพระนิพพานท่านนี้ก็เรียกว่าเป็นพระอารหันต์ท่านนี้ความหลงต่างๆจะถูกทาลายไปหมด เมื่อความหลงถูกทำลายไปความยินดีก็ไม่มีความรักความชอบความโลกต่างๆก็ไม่มีไม่มีเมื่อไม่มีความรักความชอบก็จะไม่มีความโกรธคนเราส่วนใหญ่ขจาราเหตุของความโกรธก็เพราะว่าเวลาเรารักอะไรแล้วไม่ได้ดังใจนั่นเองก็โกรธอยากจะได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจก็โกรธแต่ถ้าไม่อยากแล้วจะไปโกรธกับอะไร ถ้าไม่รักอะไรแล้วจะไปโกรธกับอะไรอะไรจะเป็นอะไรก็ไม่ได้ไปยินดียินร้ายด้วยก็จะไม่มีความโกรธตามมาเพราะไม่มีความหลงเพราะเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่น่ารักน่ายินดีเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นไม่ว่ามีอะไรก็ต้องทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นมีสมบัติก็ต้องทุกข์กับสมบัติมีข้าวของเงินทองก็ต้องทุกข์กับข้าวของเงินทอง มีคนนั้นคนนี้ก็ต้องทุกกับคนนั้นคนนี้มีสามีก็ต้องทุกกับสามีมีภรรยาก็ต้องทุกกับภรรยามีลูกก็ต้องทุกกับลูกคนที่มีปัญญาเมื่อเห็นชัดแล้วก็จะไม่ปรารถนาที่จะมีอะไรเลยเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านอยู่ของท่านคนเดียวท่านไม่ได้มีอะไรมาให้ความสุข เพราะท่านเห็นแล้วว่ามันไม่ดีมันไม่ใช่เป็นความสุขนี่แหละคือผลที่เกิดจากการศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลนั้นในวันมาคาบูชาคือวันแผ่นเดือนสาซึ่งเป็นระยะเวลาเพียงเจดเดือนหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอน พระทำคำสอนเป็นครั้งแรกในวันเพ็ญเดือน8ต่อมาเจดเดือนก็ปรากฏมีพระอาหารหันต์ขึ้นมาอย่างน้อย 1,250 รูปแล้วได้นัดได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าจากทิศทางต่างๆโดยไม่ได้โดยไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนมาด้วยความลำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้ามาเพื่ออยากจะมากับพระพุทธเจ้าเนี่ย ก็จึงปรากฏเป็นวันมาคาบอยู่ฉาขึ้นมาวันเพ็ญเดือนสาความสัมพันธ์ก็อยู่ตรงที่มีพระอรหันต์หนึัอร้รูปที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้บวชให้มาเฝ้าพระ พ, พุทธเจ้าในวันนั้นซึ่งเป็นครั้งเดียวในปรากฏการณ์ครั้งเดียวในพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าอางค์นี้หลังจากนั้นแล้วก็ไม่มีการรวมตัวของพระอรหันต อย่างนี้อีกโดยที่ไม่ได้ได้ไม่ได้นัดหมายกันนี่คือความเป็นมาของวันมาคบูชาที่กําหนดให้มีวันอย่างนี้ขึ้นเพื่อเราจะได้มีเหตุทําให้เราศึกษาทําความเข้าใจว่าเอวันนี้เป็นวันอะไรมีความสําคัญอย่างไรเมื่อเราได้ศึกษาแล้วเราก็จะได้เกิดปัญญา เราจะได้รู้ว่าชีวิตของเรานี้ยังห่างไกลจากพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันต์ทั้งหลายเรายังแบกกองทุกเรายังเวียนว่ายตายเกิดยังไม่รู้จักจบจากสิน้นแต่พอเราได้ศึกษาแล้วเราก็จะรู้ว่าเราก็มีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เราก็มีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็จะทำให้เกิดมีศรัทธาที่อยากจะประพฤติปฏิบัต ศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติปฏิบัติทานศีลภาวนาซึ่งเป็นเครื่องมือหรือเป็นทางที่จะพาให้เราไปสู่การหลุดพน้นจากความทุกข์ทั้งหลายนี้เองนี่คือเรื่องของมาฆบูชาที่จะเกิดขึ้นในวันพระรหัสที่จะถึงในวันข้างหน้านี้วันนี้ก็เลยถือโอกาสเล่าให้ฟังหน่อย เพราะถ้าในวันนั้นแล้วคนจะมากเวลาจะน้อยจะไม่มีโอกาสได้พูดให้ฟังได้อย่างละเอียดอย่างในวันนี้ก็ขอฝากเรื่องความสำคัญของวันมาค้าบูชานี้ให้ท่านได้นำเอาไปเจริญเอาไปพิจารณาและนำเอาไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา